สมภัสสยองบ้านตรงข้ามย่านลาดพร้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมเองซึ่งได้เล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่เอกจะย้ายบ้านมาบ้านเก่าของเอกนั้นยุดตรงลาดพร้าวฝั่งตรงข้ามจะมีประตูบ้านอยู่ ซึ่งบ้านนั้นจะเป็นบ้านสองชั้นและมีลูกสาวสวยมากอยู่สามคนต่างคนต่างสวยคนละแบบก็เลยมองไม่เบื่อขนาดผู้หญิงดดวยก่งชอบมองแล้วพ่อแม่ของเธอก็ห่วงมากด้วยเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้นอกลู่นอกทางก็ยังว่าสาวสวยก็ต้องมีคนมาเฝ้ามาหมายปองอยู่แล้วทุกๆวัน จะมีคนมาจอดรถมอเตอร์ไซค์บางเดินบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่มายืนแห น, นหน้ามองไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อว่าจะมีโอกาสได้ศบตากับหนึ่งในสามสาวนั้นบ้างจนวันหนึ่งเอกกลับบ้านดึกเพราะว่าติดทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเอกลงรถที่หน้าป่าซอยแล้วเดินมาเพื่อที่จะเข้าบ้าน ระหว่างที่เอกเดินอยู่นั้นก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนแงแหนหน้ามองขึ้นไปตรงหน้าต่างบ้านที่สามสาวสวยนั่นอยู่ด้วยความที่เห็นบ่อยจนชินเอกดูเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ได้คิดอะไรจึงเดินต่อแล้วเปิดประตูเข้าบ้านไปแต่ในใจตอนนั้นก็คิดว่าเอกก็หนุ่มโสดเหมือนกันสนใจผู้หญิงสามคนนั้นไหมก็ไม่รู้สิเพราะไม่ได้สนิทกัน ทั้งทั้งที่อยู่ตรงข้ามบ้านกันเพราะว่าสาวๆเองก็ไม่ได้ออกมาสูงสิงกับใครเลยพอเอกขึ้นห้องไปทำธุระอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวที่จะนอนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองไปตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังคงเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมเอกก็เลยคิดว่ามาก็ดึกจะยืนทั้งคืนเลยหรือไงนะ แล้วจู่ๆผู้ชายคนนั้นก็วิ่งไปปีนเสาไฟเอกก็ตกใจร้องเฮ้ยรีบเปิดหน้าต่างออกไปจะตะโกนห้ามแต่ยังไม่ทันได้เปล่งเสียงออกมาด้วยความตกใจก็ต้องรีบยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองไว้แน่นเมื่อเขาเห็นผู้ชายคนนั้นปีนขึ้นไปบนเสาไฟอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับห้องชั้นสองก่อนที่คอของเขา จะค่อยๆยืดออกมายืดออกมาเรื่อยๆยืนเข้าไปใกล้กับหน้าต่างบ้านหลังนั้นเอกยืนอึง้งนิ่งมือไม้แข็งไปหมดขนาดที่กำลังช็อกอยู่นั้นก็เหมือนกับว่าเขาคนนั้นจะรู้และกำลังจะหันมามองเอกเอกเลยรีบปิดหน้าต่างลงอย่างแรงแล้วยืนหอบหายใจหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยความตกใจ เอกกุทานขึ้นมาว่าชี่อะไรวะเนี่ยเขาปิดผ้าม่านล็อกกรอนหน้าต่างซ้ําทุกบานปิดไฟนอนคลุมโปงในทันทีแต่แล้วคืนนั้นเขาก็นอนไม่หลับเพรายังกลัวผู้ชายคนนั้นจะยื่นหน้ามามองเขาที่หน้าต่างเหมือนกับบ้านฝั่งตรงข้ามเขานอนคลุมโปงตัวสัน่นใจก็คิดไปเรื่อยเปื่อยต่งตงางๆนานา จนพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอเช้ามาเขาก็ไปตลาดนัดหน้าปากซอยเดินไปหายายขายกว๋วยเตี๋ยวที่สนิทกันถามว่าแถวนี้มีข่าวอะไรบ้างไหมมีใครตายไหมแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนที่เขาเจออะไรแปลกเมื่อป้าแกได้ฟังแล้วป้าแกก็บอกว่าไม่รู้จะเกี่ยวกันไหม เมื่อสามวันก่อนมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแถวนี้แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุความตายที่หน้าปากซอยนี่แหละเอกก็เลยพอจะรู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ชอบมาเฝ้าสาวบ้านนี้ตะดันมาตายระหว่างจะมาหรือจะกลับอะไรสักอย่างจิตใจคงยังพวงอยากพบอยากเจอผู้หญิงที่เขาเฝ้าฝัน จนตายกลายเป็นผีก็ยังมาเฝ้ารอเพื่อว่าจะได้พบเจอกับเธอคนใดคนหนึ่งสักคนก่อนที่ร่างกายและดวงวิญญาณของเขาจะจากโลกนี้ไปตึกตึกตึกยาตลาภาวเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ปู่เล่าให้ติ๊กฟังในตอนเด็กสมัยนั้นลาดพ้าวยังคงเป็นพื้นที่ทำนาอยู่ที่บ้านติ๊กก็ทำนากันปู่ก็เป็นกำนันของหมู่บ้านช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนวันออกพรรษาเขาก็มีการเตรียมงานออกพรรษากันที่วัดปู่จึงต้องไปดูแลงานของชุมชนหลังจากงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตอนกลับก็จะมีทางลัดกลับบ้าน เรียกว่าทางเดินหลังวัดมันจะลัดทุ่งนาเดินมาตามคลองส่งน้ำในสมัยนั้นน้ำยังไม่เน่าเหมือนในตอนนี้ทางเดินมันก็เดินมาตามคันนามาตรงถนนเล็กๆ เ, เป็นทางเดินริมคลองพอให้เดินสวนกันได้ตอนนั้นมันก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกแล้วประมาณห้าทุ่มกว่ า, วาปู่กลาบลาพระอาจารย์ แล้วก็ทิ้งให้ผู้ใหญ่แดงมารับช่วงงานต่อตอนเช้าก็จะกลับมารับช่วงต่ออีกทีคืนนั้นเป็นคืนที่พระจันทร์ส่องแสงสว่างมากเพราะว่าเป็นวันก่อนวันพระปู่ก็เอาไม้ฟัดปาดไปตามทางเดินแล้วหยุดดูรหัตวิดน้ำซึ่งเป็นเครื่องมือชักน้ำหรือวิดน้ำเข้าแปลงนามีความสาคัญต่อการทนานาในสมัยก่อนมาก เมื่อปู่ดูแล้วน้ำก็ไม่เยอะเลยไม่ต้องเติมน้ำมันที่เครื่องอีกแต่แกก็สงสัยนิดหน่อยว่าเครื่องทำไมหยุดทำงานเร็วจังเพราะว่าสั่งให้คนมาเติมน้ำมันตอนหัวค่ำนี่เองแต่ปู่ก็คิดว่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาดูอีกทีว่าแล้วแกก็เดินมาเรื่อยตามทางระหว่างที่เดินอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระโดดที่ด้านหลัง ปู่บอกว่าเหมือนเด็กเล่นกระต่ายขาเดียวเพราะปู่หันไปมองก็ไม่มีอะไรแต่ตรงพื้นดินแห้งๆบริเวณ น, นั้นมีรอยเปียกน้ำเล็กๆอยู่ปู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเดินต่อไปไม่นานเสียงนั้นก็กลับมาอีกมันกระโดดตามหลังมาแบบนี้เรื่อยๆปู่เดินมาจนถึงสุดทางเดินริมคลอง ถ้าข้ามสะพานมาก็จะเป็นบ้านแล้วก่อนข้ามสะพานปู่ก็หยุดเดินแล้วพูดว่าอยู่ตรงนี้ละ่ะไม่ต้องตามมาพอปู่พูดเสร็จก็เดินข้ามสะพานไปหลังจากข้ามสะพานมาแล้วปู่หันกลับไปมองก็เห็นเป็นเงาลางๆตัวเล็กๆลักษณะเหมือนกับเด็กยืนอยู่ปู่หันกลับมาแล้วเดินเข้าบ้านไปก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังไล่หลังมา ปู่ก็กลับมานั่งคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ปกติไม่เคยมีอะไรแบบนี้จะบอกว่าใกล้วันพระจึงมีวิญญาณออกมาเร่ร่อนแถวนี้ก็ไม่น่าใช่ลางสังหอนของแกบ่งบอกว่าต้องมีอะไรแน่ๆเช้ามาก่อนจะไปวัดปู่ก็แวะดูรหัดวิทย์น้ำอีกครั้งว่าเมื่อคืนทำไมมันถึงหยุดทำงานไปก่อนแล้วก็ได้พบว่า มีเด็กอายุสักห้าหขวบเป็นเด็กผู้หญิงลอยอยู่ในน้ำศพนั้นติดอยู่ตรงลักัสวิดน้ำขาข้างหนึ่งเขาไปพันกับใบพัดและมันถูกบิด จ, จนแหลกเหลวทำให้เครื่องหยุดทำงานปู่ก็เลยนึกถึงเรื่องเมื่อคืนได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อคืนถึงได้ยินเป็นเสียงตึกตึก เพราะว่าเด็กคนนั้นกระโดดมาขาเดียวเมื่อตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าเด็กคนนั้นไม่ได้มาตายที่รหัดวิตน้ำแต่ตกน้ําลงไปแล้วจมน้ําตายก่อนที่จะลอยมาติดที่รหัดวิตน้ำคิดว่าน่าจะเป็นลูกของคนงานแถวนี้หลุดลอดสายตาพ่อแม่มาเดินเล่นตามสวนแล้วบังเอิญเจอหมาเฝ้าสวนไล่จึงวิ่งหนีตกน้ําตาย ถนนสายเปลียวหลังจากช่วงวันหยุดผมได้กลับบ้านไปหาแฟนที่จังหวัดหนองคายขากลับก็ตั้งใจว่าจะกลับก่อนเที่ยงวันแต่ผมพลาดเพราะอยู่คุยกับแม่แฟนก่อนนั่งคุยนานมากจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาหนึ่งทุ่มกว่าๆผมจึงรีบขอตัวกลับกรุงเทพเพอะตอนเช้า ผมจะต้องไปทำงานต่อหลังจากกล่ําลากันเสร็จเรียบร้อยผมจึงรีบขับรถกลับกรุงเทพเพอขับมาได้สักระยะหนึ่งฟ้าก็เริ่มมืดมากบริเวณสองข้างทางมีแต่ต้นไม้แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะผมต้องรีบกลับไปให้ทันทำงานในตอนเช้าจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปดึกมากเวลานี้ ไม่ค่อยจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาเหมือนช่วงหัวคำ่ำไฟส่องสว่างข้างทางก็มีแค่เฉพาะจุดกลับรถเท่านั้นระหว่างที่ผมขับรถไปก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วสายตาของผมก็ไปสะดุดกับจุดสีขาวข้างทางแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรขับต่อไปตามปกติพอขับมาได้สักพักผมก็เห็นผู้หญิงผิวดำ รูปร่างอวบมากใส่เสื้อสีขาวเดินอยู่ข้างทางฝั่งเดียวกันแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแค่คิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นผมก็ขับรถต่อไปจนผ่านไปได้อีกระยะหนึ่งก็เจอกับผู้หญิงคนเดิมอีกตอนนั้นในใจผมเริ่มคิดแล้วว่าเธอคนนั้นมาถึงตรงนี้ก่อนเราได้ยังไงมาทางไหน พอผมขับผ่านก็คิดในใจว่าถ้าเจออีกจะจอดถามเลยว่ามาทางไหนมีทางลัดตัดมาตรงนี้ได้เหรอตอนนั้นไม่มีเรื่องผีอยู่ในสมองเลยแม้แต่น้อยพอผมขับผ่านมาได้อีกสักพักหนึ่งคราวนี้ผมก็เจอผู้หญิงคนนั้นอีกจึงตัดสินใจชะลอรถเพื่อที่จะจอดถามแต่พอผมใกล้จะถึงตัวผู้หญิงคนนั้น เธอก็หันหน้ามาทางผมอย่างรวดเร็วผมตกใจมากเมื่อได้เห็นใบหน้านั้นเพราะใบหน้าของเธอมันเละมากและมีสายตาที่แดงกล่าด้วยความที่ผมตกใจผมจึงหักรถหนีจากเลนซ้ายออกมาเลนขวาทันทีจังหวะนั้นสายตาผมก็เหลือไปมองเห็นกระจกส่องข้างพอดีจึงเห็นว่า กำลังมีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งตามหลังมาด้วยความรวดเร็วแล้วดวงไฟจากรถบรรทุกก็ส่องสว่างวาบเต็มใบหน้าผมทุกอย่างมันสว่างจ้าไปหมดพอมารู้ตัวที่ผมก็จอดรถหยุดตรงข้างทางแล้วผมคิดว่าดวงผมยังคงดีอยู่จึงหักรถหลบออกมาได้ทันและจอดตรงข้างทาง ผมหันหลังกลับไปดูตรงจุดที่เธอคนนั้นยืนอยู่ก็ปรากฏว่าตรงนั้นมันไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าผมรีบขับรถออกไปเพื่อกลับเข้ากรุงเทพพอรุ่งเชา้าตรงจุดที่ผมเจอผู้หญิงชุดขาวคนนั้นครั้งสุดท้ายบริเวณนั้นก็มีชาวบ้านมายืนมุงอยู่มีปอเตกตึงและตำรวจ ยืนอยู่เต็มไปหมดข้างทางมีรถบรรทุกสภาพเหมือนถูกชนที่ด้านหน้าจอดอยู่ห่างไปอีกไม่ไกลก็มีรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ในสภาพที่พังยับเยินและมีชายคนหนึ่งโดนอัดกรปพี้ตายอยู่คาซากรถตอนนี้ผมรู้สึกตัวเบามากเหมือนกับลอยได้ร่างกายของผมนั้นปร่งแสง มองทะลุเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสักพักก็มีชายร่างดำตัวสูงใหญ่ใส่ชุดโบราณมาลากตัวผมไปจากนั้นทุกอย่างก็มืดไปหมด 海洋。